ประวัติพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจารย์หลวงปู่สิมเป็นพระกรรมฐานแห่งกองทัพธรรมซึ่งนำโดยหลวงปู่มั่นพุริทัตเทระโดยเป็นเศษเรื่อยแรกของหลวงปู่มัน่นท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติสู่พุทธศาสนิกชน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของท่านก็คือการพานั่งขัดสมาธิเพชรและการยกมรณานุสติกรรมฐานว่าเป็นกรรมฐานชั้นเอกท่านเน้นย้ำเสมอว่าการนั่งสมาธิภาวนาใจต้อเด็ดนั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละจะช่วยให้จิตใจอาจหันขึ้นมาได้โดยน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งก่อนตัสรู้พระพุทธองค์ทรงนั่งขัดสมาธิเพชรใต้ต้นโพเอาชีวิตเป็นเดิมพันแลกกับการตัสรูพระอนุตตระสัมมาโพธิญาณทันว่าการปฏิบัติใชะได้ผลต้องปล่อยวางร่างกายลงไปปล่อยวางความหมายมั่นในรูปร่างกายอันเป็นก้อนเกิดก้อนแก่ก้อนเจ็บก้อนตายอย่างนี้ ท่านต้องระลึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาณด้วยปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวอาหานของลุงปู่ด้วยลีลาการเทศนาธรรมที่ยังดวงจิตดวงใจของผู้ฟังธ ร, รมให้เข้าสู่ความสงบระงับและอย่างวรวดเร็วและด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยนด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธ สานุสิทธิ์ของท่านจึงเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนนามของท่านเป็นที่รู้จักและกล่าวขานกันทั่วไปในหมู่ผู้สนใจในธรรมะปฏิบัติทั่วทั้งประเทศท่านจึงเป็นเพชรน้ำเอกอีกองหนึ่งสมดังที่พระบูรพาจาร ย, าย์ใหญ่หลวงปู่มั่นพุริโตได้พยากรณนไว้ว่าท่านสิงเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่ เด็งบานเมื่อใดจะหอมกระมูกําเนิดหลวงปู่สิมเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช 2,452 หตรงกับวันศุกร์้นส4บี่ค่ำเดือนส2องปีระกาเวลาประมาณ21็ดนาฬิกาที่บ้านบัวตำบลสว่าง อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครบิดาท่านชื่อนายสารวงเข็มมามารดาชื่อนางสิงค์คำวงเข็มมามีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมสิบคนเรียงตามลำดับดังนี้หนึ่งเด็กชายยังไม่มีชื่อสองนางสาวบงวงเข็มมาสาม นางสาวบางวงเข็มมาสี่นางแก้วสมรสกับนายถาทุมกิจจ์ห้าหลวงปู่สิมหนายกลมวงเข็มมาเจ็ 7. พระอาจารย์คำดีมรณภาพที่จังหวัดเลย 8. ปนางมาลีสมรสกับนายสอนพานาดามีบุตรธิดาสองคนเก้า นางจำปีสมรสกับนายอินตาทุ่งกิจจ์มีบุตรสองคนสิบนายจำไปวงเข็มมาสกุลวงเข็มมากับบ้านบัวบ้านบัวเป็นหมู่บ้านภูไทยคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าให้ลูกหลานฟังว่าบรรพบุรุษของชาวบ้านบัวอ พ, พยพมาจากเมืองบก เมืองวังประเทศลาวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพรัชการทีหนึ่งยังเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์จึกและพระบรมบราชองค์การจากสมเด็จพระเจ้าตากสินขยกทัพไปตีเวียงจันทร์และรวบรวมหัวเมืองลาวไว้ได้ทั้งหมดเมื่ออพยกมาฝั่งไทยแล้วก็ได้ย้ายที่ทมามหากินหลายครั้ง จนในที่สุดหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งคือปลานเครือได้พาครอบครัวชาวภูไทยอีก8ครอบครัวเดินทางมาถึงบริเวณที่ตั้งบ้านบัวในปัจจุบันซึ่งเดิมมีสระบัวอยู่2 ส, สะจึงตัดสินใจตั้งหลักแหลง่งลงเป็นการถาวรและได้ถือเอาดอกบัวเป็นมงคล น, น, นามสำหรับชื่อหมู่บ้าน สกุลวงเข็มมาของหลวงปู่สิมเป็นสกุลเก่าแก่สกุลหนึ่งของบ้านบัวผู้เป็นต้นสกุลได้แก่ขุนแก้วและอินทพัญญาผู้เป็นน้องชายตัวท่านขุนแก้วก็คือปูอ่พงหลวงปู่สิ์นั่นเองนิมิตแห่งการเกิดเท้าวความในคืนที่หลวงปู่เกิดนั้นประมาณเวลาหนึ่งทุ่ม ภายหลังจากอาการเจ็บคันทุเราลงโยมบารดาของท่านเคลิมหลับไปก็ได้ฝันเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งมีรัศมีกายสุขสว่างเปล่งปลัง่งและดูเห็นตาเย็นใจอย่างบอกไม่ถูกลอยลงมาจากท้องฟ้าลงสู่กระตอบกลางทุ่งนาของนางต่อมาเวลาประมาณสามทุ่มนางสินค์คำก็ให้กำเนิดเด็กน้อย ผิวขาวสะอาดและจากนิมิตที่นางเล่าให้นายสารฟังนายสารผู้เป็นมิจดาจินตได้ตั้งชื่อลูกชายว่าสิมซึ่งภาษาอีสานหมายถึงโบทอันอาจบ่งบอกถึงความใกล้ชิดพระพุทธศาสนาซึ่งต่อมาเด็กชายสิมผู้นี้ก็ได้คลองผ้ากาสาวพัสบำเพ็ญสมณธรรมใช้ชีวิตที่ขาวสะอาด หมดจดจนตลอดช่วอายุไขของท่านฉายแววแต่ยาววัยประกายแสงแห่งสติปัญญาและลักษณะแห่งความเป็นผู้นำในตัวเด็กชายสีม์วงเข็มมาได้ฉายแววให้เป็นที่ประจักษ์เก็บเพื่อนพ้องมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วรือเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สองก็ได้ทำหน้าที่ ช่วยครูใหญ่สอนหนังสือซึ่งหลวงปู่แวนธนปาโลพระเถระซึ่งเป็นญาติผู้น้องและมีวัยอ่อนกว่าหลวงปู่เทียงฟีเดียวก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านในครั้งนั้นด้วยครั้งหนึ่งน้องชายของเด็กชายสิมเล่นสนปีนต้นไม้ตามประสาเด็กผู้ใหญ่กลัวจะพลาดพลัง้งตกลงมาเป็นอันตรายแต่เล็กให้ลงอย่างไร ก็ไม่ยอมลงจนผู้ใหญ่หมดปัญญาเด็กชายสิมที่ออ ก, กุบายให้หลอกว่าบนต้นไม้มีผีน้องชายซึ่งกลัวผีขนาดหนักก็รีบลงมาจากต้นไม้ทันทีหน้าที่ของเด็กในครอบครัวชาวนาไทยเห็นจะหนีไม่พ้นการช่วยเลี้ยงควายยงปุ่สิมเคยเล่า ว, ว่าพอมีควายเขาตู้อยู่ตัวหนึ่ง มันอยากจะชนกับเขาอยู่เรื่อยแต่ชนทีไรแพ้ทุกทีเพราะมันไม่มีชั้นเชิงเอาเสียเลยได้แต่ก้มหน้าก้มตาเอาหัวงัดลูกเดียวไม่หิ่ทีก็หันหลังวิ่หนีแล้วนี่น่าละคนไม่มีปัญญาหลวงปู่จึงเรียกว่าควายเขาตู้การภาวนาก็เหมือนกันหลวงปู่เปรียบเทียบให้ฟังว่าต้องรู้จัก เลือกอุบายภาวนาพิจารณาอุบายที่ถูกจริตอาศัยความเพียรอย่างเดียวก็ได้เหมือนคนกินอาหารต้องรู้จักเลือกกินกินปลากินไก่บ้างไม่ใช่กินเนื้ออยู่นั่นแล้วกิเละ ม, มันพลิกแปลงเก่งต้องตามให้ทันอย่างสาวกในครั้งพุทธกาลตั้งใจจะบวชพอโปร่งผมผมตกลงมาเท่านั้นแหละท่านก็ป่งกรรมาฐานได้เล ย, เลย ว่าผมไม่ใช่ของใครปล่อยวางทุกอย่างก็ได้บรรลุธรรมเลยแล้วแต่สติปัญญาของคนจะพิจารณาบางองค์นั่งฟังเทศก็ได้บรรลุธรรมเลยอย่างนั้นปัญญาท่านมากเด็กชายสิมวงเข็มมาหรือรุ่งปู่สิมนักเด้ว่าเป็นผู้มีบุญกุศลหนุนนำมาดี จึงทาให้เป็นผู้รู้จักเตือนตนเองให้อยู่ในทางที่ชอบที่ควรเป็นผู้ที่มีใจฝักใฝ่ในทางธรรมตั้งแต่เล็กๆ เ, เป็นผู้มีความกระตันยูสูงมีความขยันมานะอดทนมีน้ำใจเสียสละมีวาจาไพเราะสุภาพอ่อนโยนจึงเป็นที่รักยิ่งของบิดามานดาและหมู่เพื่อน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากบิดามารดาของเด็กในละแวกบ้านนั้นว่าถ้าลูกของตนมาคุกครีกับเด็กชายสิงห์แล้วแล้วก็เป็นอันหมดกังวลในก้อที่จะชวนกันไปในทางเสียหายเรื่องด้วยบิดาของท่านเป็นวา ย, ยาวชากรกรของวัดศรีรัตนารามเด็กชายสิงห์พร้อมด้วยเพื่อนๆพืวัยเดียวกัน จึงได้มีโอกาสติดตามผู้ใหญ่ไปช่วยงานที่วัดอย่างขยันขันแข็งและมักจะไปครุบคลีอยู่ที่วัดเป็นประจำผู้เห็นภัยในความตายเมื่อเด็กชายสิงเริ่มเข้าสู่รุ่นนุ่มอายุ 15-16 ปีก็มีความสนใจในดนตรีอยู่ไม่น้อยหลวงปู่แว่นธนปาโลเล่าว่า ตัวท่านเองเป็นหมอลำวนหลวงปู่สิงห์นั้นเป็นหมอแคนเป่าแคนจนแคนหักไปหลายอันในเรื่องสตรีเพศหลวงปู่สิงห์ไม่ใครให้ความสนใจเหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆไปแต่หากมีหนุ่มตางบ้านมาเกี้ยวสาวบ้านบัวแล้วและก็อาจเจอไม้บินของหลวงปู่เข้าบางก็ได้นอกจากนี้แล้วหลวงปู่ อย่างเล่าให้ฟังว่าได้เคยไปเที่ยวล่ากระต่ายกระแตบ้างเหมือนกันรู้สึกการคลองชีพตามวิสัยชาวโลกนั้นอีกเลี่ยงต่อการทำบาปได้ยากสิ่งที่บรรดาใจให้ลุ้มปู่อยากออกบทก็คือความจะดุ้งกลัวต่อความตายท่านเล่าว่าตั้งแต่ยังเด็กแล้วเมื่อได้เห็นหรือได้ข่าวคนตาย มันให้สะดุ้งใจทุกครั้งกลัวว่าเราจะตายเสีย ก, ก่อนจะได้ออกบวชบารณานุสติได้เกิดขึ้นในใจของท่านอยู่ตลอดเวลาเป้าย้ำเตือนให้ท่านไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความตายเป็นเพราะหลวงปู่กาหนดบรนังเมเพราะวสติของท่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นเอง ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกบวชจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ก็ยังคงใช้อุบายธรรมข้อเดียวกันนี้อบรมลูกศิษย์ลูกหาอยู่เป็นประจำเรียกว่าหลวงปู่เทศครั้งใดมักจะมีมรณงเมพวสติเป็นสัญญาณเตือนภัยจากพญามจุราชให้ลูกศิษย์ลูกหาตื่นตัวอยู่เสมอทุกครั้งสัมเนธสิม เมื่อท่านอายุได้17ปีจึงได้ขอบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรณวัดศีรัตนารามซึ่งเป็นวัดมหานิกายณนะบ้านบัวนั่นเองในวันที่8รกรกฎาคม2469ตรงกับวันอาทิตย์แรม7ค่ำเดือน8ปีมะโรงโดยมีพระอาจารย์สีทอง เป็นพระอุปชาต่อมาคณะกองทัพธรรมของลุงปู่มัน่นได้เดินธุดงมาจากจังหวัดน้องคายเพื่อมาเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติแก่ประชาชนโดยเดินทางมาถึงวัดศีสงครามตมบนสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมสามเณรสิมจึงได้มีโอกาสเดินทางไปฟังธรรมะ ทั้งจากท่านพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่ม่านภริธาโตท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลสำมะเนียนสิมโดยปกติเป็นผู้ที่มีความละเอียดจดจำสิ่งต่างๆได้มั่นยำช่างคิดช่างพิจารณาอยู่แล้วเม่ได้เฝ้าสังเกตข้อวัปตปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ม่น ท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปิ่นก็ยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสยอย่างมากจึงตัดสินใจขอถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นและได้ขอยศใหม่มาเป็นธรรมยุธนิกายแต่โดยที่ขณะนั้นยังไม่มีโบสถ์ของวัดทางฝ่ายธรรมยุทธในละแวกนั้นการประกอบพิธีกรรมจึงต้องจัดทำที่โบสถ์น้าซึ่งแบบแผนนี้ ท่านพลีหรือท่านพระอาจารย์ลีธรรมะทะโรอดีเจ้าอาวาสวัดอโศการามก็เคยใช้มาแล้วเมื่อตอนอุปสมบทหมู่25ุทธศัตตวัตเนื่องจากช่วงนั้นยังไม่ได้มีการสร้างพระอุโบสถขึ้นเป็นการถาวรการยติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธของสัมเนียสิม ได้กระทาพิธีที่บวน้ําซึ่งทําจากเรือสองําทาเป็นโป๊ะลอยคู่กันเอาไม้พื้นปูตรึงเป็นแพแต่ไม่มีหลังคาสมมุติเอาเป็นโบสโดยมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประธานและมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลกเป็นพระอุปชาที่วัดป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมจากนั้นสัมมเนีนสิงห์ก็ได้ไปอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านขาอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสำหรับตัวท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลนั้นมีเคร็ประวัติที่น่าสนใจกล่าวคือตัวท่านเป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโม ซึ่งจัดว่าเป็นสิทธิองค์สำคัญเปรียบได้กับมือขวาของท่านพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นทีเดียวแต่ ด, ด้วยความที่ตรวจท่านพระอาจารย์มหาเปิงเป็นพระนักปริยัตและเป็นพระนักเทศด้วยท่านพระอาจารย์สิงห์เห็นว่าพระน้องชายมุ่งแต่ปริยัตมรรคผลไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้หีขึ้น ที่จ่ายจบของจะเสียทีกลายเป็นเถ็นใบลานเปล่าท่านจะคิดหาหนทางทรมานรูปฝังสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแก่พระน้องชายทั้งด้วย ก, การปารถธรรมเป็นครั้งคราวและทั้งการสอนการปฏิบัติให้ดูส่วนเห็นว่าพระน้องชายคลายทิฏฐิมานะลงจึงได้ชวนไปภาวนาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มหาปินนี้เมื่อแรกมาก็ให้รู้สึกขัดเครื่องใจให้ถูกท่านพระอาจารย์มั่นตมิตรตีติงไปเสียทุกเรื่องจนรู้สึก อ, อึดอัดและเสียหน้ามากซึ่งรุ่นนี้สําหรับผู้ที่คุ้นเคยกับปฏิปทาของพระป่าหรือพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายท่านพระอาจารย์มั่นด้วยแล้วย่อมทราบดีถึงความละเอียดละอ่ ทั้งทาข้อวัดปฏิบัติต่างๆด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยแต่ไร้เสียงทําให้ท่านพระอาจารย์มหาปินแม้กลับมาที่กุฏิที่พักแล้วก็ตามก็อย่างคลุ่นคิดนินพาลุงปู่มั่นอยู่ไม่แล้วพันใดนั้นลุงปู่มั่นก็เดินมาหยุดที่ด้านนอกกุฏิแล้วเอาไม้เคาะฝากุฏิพร้อมกับกล่าวว่าเอา้าท่าน มูตะคิดตำหนิปราโมทครูอาจารย์อยู่นั่นแหละทำเอาท่านพระอาจารย์มหาปิน่นตกใจกลัวจนตัวสัน่นนับแต่นั้นจึงได้ยอมรับนับถือในตัวท่านพระอาจารย์มั่นและตัวพระพี่ชายคือท่านพระอาจารย์สิงห์เป็นอันมากสามารถปรับทิฏฐิให้ตรงเพียรเจริญในอิเรียมัชจจนได้มาเป็นครูอาจารย์ ที่พร้อมด้วยภูมิปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทที่สำคัญองค์หนึ่งรวมทั้งได้ท ร, รหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แกหลวงปู่สิมในการต่อมาอีกด้วยในระหว่างที่จำพรรษานั้นมีเหตุการณ์ซึ่ได้แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะของสา ม, มเณรสิมพระอาจารย์สีทองอดีตพระอุปชาของท่านเล่า ว, ว่า ทั้งหนึ่งที่วัดมีการขุดสัสัมมเนียนสิมก็ไปช่วยขุดและขุดจนกระทั่งใครต่อใครเขาทิ้งงานกันไปหมดเนื่องจากขุดลึกลงไปถึงส1บเอ็ดสบสองวาแล้วก็ยังไม่มีน้ำเมืม่อพระอุปชาของท่านถามว่าจะขุดไปถึงไหนกันสัมมเนียนสิมตอบว่าขุดไปจนสุดพผ่นดินนั่นแหละ นอกจากนี้แล้วสา ม, มเณรสิมยังได้แสดงออกให้เห็นถึงปรีชาญาณด้วยการขึ้นแสดงธรรมแต่ครั้งเป็นสา ม, มเณรท่านจึงเป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของครูอาจารย์ทั้งหลายออกธุดงแต่ครั้งเป็นสา ม, มเณรในปีพุทธศักราช24งพสเจสิบามเณรสิมได้ร่วมขบวนธุดง ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มจากอำเภอท่าอุเทนไปยังบ้านดอนแดงคอกชานกิ่งอำเภอนาว่าต่อไปยังบ้านเดี่ยวบ้านหัววัวอำเภอกุดชมตามลำดับจนกระทั่งถึงบ้านหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและในปีพุทธศักราช 2,471 ท่า น, น ย, าย้ายมาจำพรรษาที่วัดป่าท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอุปสมบทเมื่อสา ม, มนเณนรศิมป์อายุครบบวชจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทณนะวัดสีจันทราวาสตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันที่16กรกฎาคม พุทธศักราช 2,472 เจตรงกับวันอังคารขึ้นสิบค่ำเดือนแปดตีมะเส็งโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพสิท ธ, ธาจารย์จัน์เขนิโยเมื่อครั้งยังเป็นพระกูพิสารอรัญเขตเจ้าคณะธรรมยุทธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นพระอุปชาและมีพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระประหลัดดวงจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารยร์ได้รับฉายาว่าพุทธาจารยจากนั้นท่านก็ได้เดินทางเป็นจารบ์ัญาที่วัดป่าวิเวกธรรมหรือวัดป่าเหล่างนาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจาริกทุดงในปีพุทธศักราช2472หลังจากอุปสมบทแล้ว พระพิสุทธ์สิสงห์ก็ได้เดินธุดงติดตามพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมไปจําบรรสาที่วัดป่าเหล่างนาจังหวัดขอนแก่นสําหรับวัดป่าเหล่างานี้เป็นวัดที่อยู่ในเขตป่าช้าคือบริเวณโรงพยาบาลขอนแก่นในปัจจุบันท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปินได้จัดตั้งขึ้น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 เป็นผลให้มีคนตายสองถึงสามคนเขาก็เอาศพมาฝังที่ป่าช้าอย่างประทานหันพอฝังไปได้สามถึงสี่วันท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ออกอุบายพาพระเนรไปขุดศพขึ้นมาหลวงปู่สิมแล่าด้วยสิงกลัวหัวเราะขุดขึ้นมาใส่กองไปเขียวอือได้หลักเขียวเหมือนเทาสภาพศพกำลังเนา่า หนังตอนนั้นยังเหนียวอยู่ยังไม่แตกหลวงปู่ลำดับภาพประทับใจจนผู้ฟังมองเห็นภาพพจน์เหม็นไม่ต้องบอกหลักเต็มจมูกทุกองค์ได้อสุภะกันหมดถ้าได้สักศพเอามาเผาที่ถ้ำผาก่องเนน้อยน่ากลัวจะไม่ยอมอยู่หลักนี่แหละคือร่างกายหลวงปู่พูดเหนื่อย อย่างโปรงตกแล้วโดยทิ้งเชิงบางคราวบางสมัยก็ต้องดมครูบาอาจารย์เพิ่นทาเราจะหลบไปทางอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องดมไปด้วยกันอีกตอนหนึ่งที่ลุงปู่เล่าประสบการณ์ที่ท่านได้อสุภะกรรมฐานจากรากศพศพที่เก็บไว้สี่ถึงห้าวันก่อนจะเผานั้นถ้าสมณะนักบวชเรา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 นี่และร่างกายนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงทรงสอนให้กำหนดเป็นอรูปกรรมฐานอย่าไปเห็นว่ารูปไม่ว่ารูปหญิงรูปชายให้เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันไม่มีใครสวยใครงามกากันสมมติโลกว่าสวยว่างามสมมติธรรมมันไม่มีสวยงามอสุพังมรณังทั้ น, นถึงมันจะยังไม่ตาย ตอนเด็กตอนหนมก็เถอะไม่นานละ่ะเดี๋ยวมันก็ทยอยตายกันไปทีละคนสองคนหมดไปสิ้นไปไม่เหลือ